ไม่โกรธง่ายมีแต่ความเมตตากรุณาไม่พูดมากไม่ดื่มสุรารักษาสุขภาพให้ดีทั้งกายและใจสิ่งที่แล้วมาแล้วก็ให้คิดว่าตายไปแล้วเมื่อวานนี้มีชีวิตใหม่เพื่อสร้างสมคุณธรรมที่ดีใหม่ไม่ใช่ชีวิตเก่าที่มีแต่เลือดเนื้อและเต็มไปด้วยความเป็นปุถุชนพัฒนาชีวิตให้หลุดพ้นจากการครอบงาของกิเลสตัณหาอุปทานขันห สามารถพัฒนาตนเองให้บริสุทธิ์ปุดผ่องแล้วชีวิตก็จะมีคุณค่าผิดแผกแตกต่างจากชะตาชีวิตที่ได้กําหนดไว้แล้วในคำพยากร <ict. S 1> <อ>์ก็ร่างกายที่กรอบ um uh ด้วยเลือดเนื้อนี้ยังเป็นไปตามลิขิจของฟ้าดินทําไมกับชีวิตที่กรอบด้วยคุณธรรคมความดีงามฟ้าดินจะไม่อย่างรู้ได้หรือโชคชะตาที่ฟ้าดินลิขิตมามนุษย์ยังพอหลีกเลี่ยงได้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 หากันสรรเสริญอนุโมทนาสาธุการความมีชื่อเสียงก็จะแบ่งความดีงามไปเสีมากบุญก็จะน้อยลงเพราะได้ผลในปัจจุบันไปบ้างแล้วแต่ถ้าทำแล้วไม่โอ้อวดในความดีงามนั้นผลบุญก็จะเต็มดุดวารีที่เปี่ยมฝังใครเล่าจะแย่งบุญของเราไปได้นอกจากเราจะยินดีแบ่งบุญให้เขาเองการทําดีเช่นนี้มีหรือจะไม่ได้สวยผลแห่งความดีนี้ คำพีโบราณชื่อว่าอีจริงก็ได้เน้นถึงความดีความชั่วว่าอย่างเหลียดละ อ, อสอนคนดีให้รู้จักหลบหลีกจากกรรมชั่วสั่งสมแต่กรรมดีเพื่อจกได้ผลดีตอบแทนหากว่าริคิดของชะตาชีวิตเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วไซจากหลีกเลี่ยงกรรมชั่วสั่งสมแต่กรรมดีได้อย่างไรในหน้าแรกของคำพีก็กล่าวไว้ว่าครอบครัวใดสังสมแต่ความดีงาม ไม่เพียงแต่หัวหน้าครอบครัวเท่านั้นที่จะได้เสวยผลแห่งความดีนั้นแม้แต่ลูกหลานเหลนหล่ น, ลนก็จะพลอยได้เสวยผลแห่งความดีนั้นด้วยวิเคราะห์ดูให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่าชะตาชีวิตไม่สามารถควบคุมมนุษย์ไว้ได้เสมอไปจิตใจมนุษย์สำคัญกว่าจิตใจที่ดีย่อมกระทำกับสิ่งที่ดีงามและได้รับผลที่ดีงามผู้มีจิตใจซาม ย่อมกระทำแต่สิ่งที่เลวทรามและได้ผลที่เลวทรามท่านถามพ่อว่าเชื่อท่านหรือไม่เล่าพ่อเชื่ออย่างมากเพราะท่านพูดมีเหตุผลพ่อจึงคุกเข่าลงกราบท่านเพื่อแสดงว่ารับคำสั่งสอนด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วพ่อไปนั่งลงณนะหน้าที่บูชาพระรัตนตรยัยสารภาพบาปในอดีตต่อพระพัก สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหมดเปลือกแล้วอธิษฐานขอให้ได้เป็นขุนนางต่อไปนี้จะเริ่มกระทำความดีให้ครบสา0พันครั้งเพื่อตอบแทนพระคุณฟ้าดินและบรรพชนของพ่อท่านวินกุเทระเห็นพ่อมีความตั้งใจทำความดีถึงป่านนี้จึงเอาตัวอย่างบัญชีกรรมดีกรรมชั่วมาให้พ่อดูแล้วสอนพ่อให้จดบัญชีพฤติกรรมของตนเอง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 เพื่อเตือนใจให้รู้ว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งเราได้ทำอะไรไปบ้างดีมากกว่าชั่วหรือชั่วมากกว่าดีอะไรผิดอะไรถูกจะได้แก้ไขปรับปรุงตนเองไม่ทำความผิดซ้ำแล้วซ้าอีกําชั่วเบาๆก็ต้องมาลบกรมดีออกเสียหนึ่งครั้งกคมชั่วหนักๆก็ต้องมาลบความดีออกหลายๆครั้งจนกว่าความดีจะครบสา0พันครั้งดังที่ได้อธิษฐานไว แล้วสอนพ่อสวดมนต์บริกรรมคาถาเพื่อช่วยให้จิตใจมั่นคงโดยอาศัยอำนาจคุณพระศีรันตนไตยเป็นสาระเพื่อให้คำอธิษฐานหนักแน่นสำฤทธิผลเร็ววัน